พระไตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่ส2องพระสูตรที่27สจุลหะทิปะโทปมสูตรสูตรแสดงข้อเปรียบเทียบด้วยรอยเท้าช้างสูตรเล็กพระผู้มีพระภาคประทับนาเชตวนารามชานุสโสนิพรมได้ฟังปริภาชกผู้นุงพาท่อนเก่าสันเสริญพระพุทธเจ้าสี่ข้อคือจำแนกตามประเภทบุคคล คือกษัตริย์พราหมณ์ครืหาบดีผู้เป็นบัณฑิตแต่งปัญหาเตรียมยกวาทะพอได้พบปะชื่นชมด้วยธรรมกถาก็เลยไม่ถามเลยไม่ได้ยกวาทะกลายมาเป็นสาวกของพระสมณะโคดมไปและสมณะผู้เป็นบัณฑิตก็เช่นกันแต่งปัญหาเตรียมยกวาทะพอได้พบปะชื่นชมด้วยธรรมกถาก็เลยไม่ถาม เลยไม่ได้ยกวาทะขอโอกาสออกบวชทำให้แจ้งซึ่งที่สุดแห่งพรหมจรรย์อยู่ในปัจจุบันสมณะเหล่านั้นย่อมกล่าวว่าเมื่อก่อนไม่ได้เป็นสมณะไม่เป็นพรามไม่เป็นพระอรหันต์แต่ปฏิญาณตนว่าเป็นแต่บัดนี้เป็นสมณะเป็นพรามเป็นพระอรหันต์จริงๆแล้วชานุสัตสโิพรามก็เลื่อมใส ลงจากรถขาวเทียมด้วยม้าขาวทำผ้าห่มเฉวียงบาเปล่งวาจานามัสการพระผู้มีพระภาคด้วยบทนโมตัดสักชานุสสะโสนิพรามไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคกราบทูลความที่ได้สดับจากบริพาชกผู้นุ่งผ้าท่อนเก่านั้นทุกประการพระผู้มีพระภาคตรัสตอบพ น, นาถึงการที่พระตถาคตเกิดขึ้นในโลก ทรงแสดงธรรมแล้วเขาเ้าฤหบดีหรือบุดเขาเ้าฤหบดีได้สดับธรรมออกบวชเว้นจากความชั่วต่างๆมีศีลสำรวมอินทรีย์มีสติสัมปชัญญะเสพเสนาสนะอันสงัดชำระจิตจากนิวรณ์ห้าบำเพ็ญสมาธิจนได้ฌานที่หนึ่งที่สองที่สาที่สได้ปุเพนิวาสานุสติญาณ คือยานอันทาให้ระลึกชาติได้ได้จุดตูปปาตาญาณญาณเห็นความตายความเกิดหรือเรียกว่าทิพยะจักสุญาณก็ได้ได้อาสวะขยะญาณญาณอันทาอาสวะคือกิเลส ท, ที่ดองสันดานให้สิน้นแต่ละขั้นที่บาเพ็ญมาตั้งแต่ได้ฌานที่หนึ่งจนถึงได้อาสวะขยะญาณก็ยังไม่ปล่งใจว่าพระผู้มีพระภาค เป็นผู้ตรัสรู้ดีโดยชอบพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคตรัสดีแล้วพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วต่อเมื่อจิตพ้นจากอาสวะและเกิดญาณรู้ว่าพ้นแล้วชาติสิ้นสุดแล้วจบพรหมจรรย์แล้วทำหน้าที่เสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นที่จะพึงทำเพื่อความเป็นอย่างนี้อีก ก็เทียบร่องรอยของตถาคตธรรมะที่ตถาคตซองเสพและหักรานแล้วสำหรับตรงนี้เป็นสำนวนอุปมาเกี่ยวกับช้างคือรอยเท้าช้างเทียบด้วยร่องรอยของพระตถาคตที่ที่ช้างเสียดสีเทียบด้วยธรรมะที่พระตถาคตซองเสพกิ่งใบไม้ที่ช้างเอางาระเทียบด้วยธรรมะปลายชั่วที่พระตถาคตหักราน เมื่อปฏิบัติจนบรรลุผลตามรอยของพระตถาคตได้แล้วจึงถึงความปลงใจว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ตรัสรู้ดีโดยชอบเป็นต้นเปรียบเหมือนคนที่เข้าไปสู่ป่าที่ช้างอยู่เห็นรอยเท้าช้างใหญ่ยาวกว้างเห็นที่ซึ่งช้างเสียดสีในเบื้องสูงถ้าเป็นผู้ฉลาดก็ยังไม่ปลงใจทีเดียวว่าช้างตัวนี้ใหญ่เพราะมีช้างพัง ชื่ออุจจักกะเรนุกาที่มีรอยเท้าใหญ่อาจเป็นรอยเท้าของช้างพังนั้นก็ได้ต่อเมื่อเห็นรอยเท้าช้างใหญ่ยาวกว้างเห็นที่ซึ่งช้างเสียดสีในเบื้องสูงเห็นรอยงาระในเบื้องสูงและเห็นพญาช้างนั้นซึ่งกำลังไปสู่โคนไม้หรือกลางแจ้งหรือยืนหรือเทาคือนั่งหรือนอนเขาจึงปลงใจว่า